เห็นว่าเคยร่วมนานมานานปีเห็นเป็นแค่คนหนึ่งจงไว้ใจด้วยเห็นเป็นขีนเก่า เ, าเขาใช้อื่นไกลเห็นเพรทับยเป็นโอกาสไม่นึกกลัว จึงตบปาดรับมือตามที่บอกถูกปอกลอบังยากกู้ตามหมักินสองทางรับสบายไม่เห็นผู้ อดดูเว้นฉันแสนโง่เงันทั้งอับอายและเจ็บ ก, กายฟื้นทำจำใจรล้ววางไว้เชิงชายยังไม่ตายเอาความพ่ายเป็นบทเรียนจากวันนั้นหลีห่างและครบหายอยากเห็นหน้าเรื่องเกา่เกาๆผุดต้วเวียฟื้นไทยทักรือยอปืยไม่ติดเตียนทนทั้งเบียนไม่รู้นี่และฉัน เสรแล้วใจฉันแปลงในจิตขึ้นชับพลันแค่นี้เกองไม่ร้องไม่รู้กันอย่าเย็ดมันรู้เท่าทันก็โอสิกรร โอสิตกัน